fm 89.5 MHz มสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี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 ในพิธีพระราชทานปริญาบัตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่33ประจำปีการศึกษาสองพระหว่างวันที่1 9บเถึงยีสิงหาคม2องพณหอประชุมราชมงคลทัญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลธัญบุรีอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานี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 รายการ r e s c r d on Radio โดยเฉลิมรัตน์น้อยกลางและชลิตากิติพันธ์สนับสนุนรายการโดยสำนักสารนิเทศและสื่อสารองค์กรสภากาชาติไทยและมหาวิทยลาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยลาลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม r e s c u t on Radio ช่วงกาชาตินิว ดีค่ะพบกับข่าวประชาสัมพันธ์ในช่วงกาชาดนิวส์ค่ะโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยขณะนี้กําลังอยู่ระหว่างการดําเนินการติดตั้งเครื่องโปรโตอนนะคะสําหรับการรักษาโรคมะเร็งเป็นเครื่องแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกทั้งยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิธาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่อศูนย์ว่าศูนย์โปรโตอนสมเด็จพระเทพ ร, ทพ ร, รัตนราชสดา ซึ่งคาดว่าจะเปิดบริการได้ในปีหน้าค่ะ เครื่องฉายรังสีโปตอนค่ะมีคุณสมบัติเด่นทางฟิสิกส์ที่สามารถให้รังสีกับก้อนมะเร็งได้อย่างแม่นยําค่ะทําให้ยิงรังสีไปที่ก้อนมะเร็งได้ตรงจุดและส่งผลกระทบอวัยวะรอบข้างน้อยลงทําให้ผู้ป่วยค่ะมีคุณภาพชีวิตในระยะยาวที่ดีขึ้นนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นสถานที่ฝึกอบรมศึกษาดูงานของบุคลากรทางรังสีรักษาและร่มะเร็งค่ะทั้งจากสถาบันอื่นๆนะคะเช่นประเทศญี่ปุ่นประเทศสหรัฐอเมริกา ปปรระะะเเเททศศจีนีนแลมาซยสถิติการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งในแต่ละปีนะคะของสาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เฉลี่ยแล้วมากกว่า 3,500 รายค่ะ เครื่องมือรังสีรักษาที่น่าสนใจในขณะนี้ได้แก่เครื่องฉ า, ายรังสีแบบสามิติเครื่องฉายรังสีแบบศัลยกรรมความเข้มสูงซึ่งสามารถฉายรังสีศัลยกรรมบริเวณศีรษะได้และเครื่องจำลองการฉายรังสีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมีจํานวน2เครื่องในเอเชียค่ะ นอกจากนี้นะคะยังมีสาขาที่ใกล้เคียงกันค่ะนั่นก็คือสาขาเวชศาสตร์นิวเคลียร์ค่ะสามารถตรวจได้ถึงระดับโมเลกุลทําให้แพทย์นะคะสามารถพบความผิดปกติได้ค่ะตั้งแต่ระยะเริ่มแรกของโรคการตรวจด้วยวิธีทางเวชศาสตร์นิวเคลียร์นะคะผู้ป่วยจะได้รับปริมาณรังสีน้อยมากโดยผู้เชี่ยวชาญค่ะจะทําการคํานวณและออกแบบเพื่อให้ใช้ปริมาณสารกัมมันตาราังสีน้อยที่สุดแต่มีประสิทธิภาพมากที่สุดค่ะ ใช่แล้วค่ะเป็นการใช้สารกัมมันตรังสีร่วมกับเทคโนโลยีทางนิวเคลียร์มาใช้ประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคต่างๆด้วยการให้สารกัมมันตรังสีเข้าไปในร่างกายผ่านการฉีดการทานหรือสูดดมค่ะ เมื่อเทียบกับการใช้ยาชนิดอื่นๆนะคะสารที่ให้เข้าไปเนี่ยแทบจะไม่มีผลกระทบต่อเซลล์ปกติเลยค่ะและนอกจากสารกรรมตะรังสีนะคะจะสลายตัวไปเองตามธรรมชาติแล้วเนี่ยร่างกายมนุษย์ค่ะก็สามารถขับออกจากร่างกายได้เหมือนสารอื่นๆทั่วไปค่ะ และล่าสุดนะคะได้เปิดบริการรักษาโรคมะเร็งต่อมลูกหมากที่ดื้อต่อการรักษาด้วยวิธีอื่นๆโดยการใช้สารกำมะรังสีเป็นแห่งแรกในประเทศไทยเมื่อต้นปี2561ที่ผ่านมาค่ะอีกทั้งยังมีบทบาทในการให้องค์ความรู้ทางด้านวชทศาสตร์นิวเคลียร์แก่นิสิตนักศึกษาและบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆทั้งในและต่างประเทศค่ะ รังสีวิทยานะคะเป็นหนึ่งในสาขาทางการแพทย์เฉพาะทางที่สำคัญค่ะที่เกี่ยวข้องกับการสร้างภาพในส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อใช้ในการวินิจฉัยและทำการรักษาได้อย่างแม่นยำค่ะช่วงนี้พักสักครู่ค่ะในช่วงสนทนารอบรั้วมีข้อมูลเพิ่มเติม เ, มเกี่ยวกับสูนย์โปรตอนค่ะรายการ r e ส c o r d ดออ Radio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 cry c a r e On Radio ดโอช่วงสนทนารอบรั้ว จํานวนผู้ป่วยมะเร็งในประเทศไทยเพิ่มขึ้นทุกปีค่ะและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับแรกสถิติการรักษาด้วยการฉช้รังสีในประเทศไทยปี2 5งพันานวน 29,557 ืารยายโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยสามารถรักษาผู้ป่วยด้วยรังสีปีละประมาณส0่พรายช่วงสนทนารอบรั้ววันนี้ค่ะจึงนําเสนอเรื่องราวของส่วนรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภานโปตอนโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยค่ะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยได้เริ่มจัดตั้งหน่วยรังสีรักษาเมื่อปี2494นะคะปัจจุบันเป็นหน่วยรังสีรักษาที่ก้าวหน้าที่สุดแห่งหนึ่งในเอเชียเลยค่ะเป็นผู้นําในการให้บริการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งโดยใช้แรกการมันตภาพรังสีด้วยภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องจําลองการรักษาด้วยภาพคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นครั้งแรกในเอเชียและยังนําการรักษาด้วยรังสี4มิติการรักษาด้วยรังสีปรับความเข้มหมุนรอบตัวมาใช้ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยค่ะปัจจุบันนะคะให้บริการผู้ป่วย 3,700 คนต่อปีค่ะโดยระยะเวลารอคิวน้อยกว่า2อาทิตย์ค่ะโดยใช้เครื่องเอกซเรย์พลังงานสูง6เครื่องที่ทันสมัยที่สุดนะคะที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เครื่องใส่แลกความเข้มข้นสูงควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์นะคะ1เครื่องโดยอาจารย์แพทย์รังสีรักษา13ท่านค่ะอาจารย์ฟิสิกส์การแพทย์13ท่านและนักรังสีการแพทย์ถึง27ท่านค่ะ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอุปนายิกาผู้อำนวยการสภาการชาติไทยมีพระราชประสงค์ให้หน่วยรังเสียรักษาเป็นศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคมะเร็งโดยมีผู้ป่วยมะเร็งของทุกภูมิภาคในประเทศเป็นศูนย์กลางค่ะ เนื่องในโอกาสมหามงคลสมเด็จพระกนิธิาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระชนมายุครบ 65,000 ษาในปี2563โรงพยาบาลจุฬาลงกรสภากาชาติไทยได้จัดทาโครงการศูนย์รักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรโตอนและได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานนามว่าศูนย์โปรโตอนสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราชสุดาค่ะ อนุภาคโปรตอนนะคะได้จากเครื่องเร่งอนุภาคไซโคโตอนซึ่งเร่งอนุภาคให้มีความเร็วถึง2ใน3ของความเร็วแสงหรือ 200,000 กิโลเมตรต่อวินาทีในเครื่องไซโคโตอนนะคะที่มีน้ำหนัก90ตันเพื่อจะได้เข้าไปในก้อนมะเร็งที่อยู่ลึกจากผิวค่ะ จุดเด่นของอนุภาคโปรโตอนคือเมื่อผ่านตัวกลางหรือผิวผู้ป่วยเข้าไปนะคะปริมาณรังสีที่ตัวกลางได้รับน้อยมากจนกระทั่งใกล้ปลายทางปริมาณรังสีจะสูงขึ้นหลังจากนั้นปริมาณรังสีลดลงอย่างรวดเร็วทําให้ได้ปริมาณรังสีสูงครอบคลุมเป้ารักษาอวัยวะใกล้เคียงก็จะได้รับรังสีน้อยมากหรือว่าไม่ได้รับรังสีเลยค่ะ การใช้อนุภาคโปรตอนนะคะเป็นการรักษาที่ดีกว่าการรักษาโดยใช้โฟตอนซึ่งเป็นการรักษาในปัจจุบันนะคะโดยแพทย์ค่ะสามารถเพิ่มปริมาณลังสีสูงสุดที่สามารถทําลายเซลล์มะเร็งได้หมดปัญหาผลข้างเคียงนะคะจึงหมดไปค่ะเหมาะกับผู้ป่วยมะเร็งในเด็กแล้วก็ผู้สูงอายุค่ะรวมถึงผู้ป่วยทั่วไปด้วยค่ะ ศูนย์โปรโตอนสมเด็จพระเทพพาลราษรดามีเป้าหมายเป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการรักษาโรคมะเร็งด้วยอนุภาคโปรโตอนมุ่งหวังให้การรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยศักยภาพที่สูงขึ้นประชจากภาวะแทรกซ้อนลดการสูญเสียชีวิตและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศนะคะโดยไม่มีความเหลื่อมล้ำทางสังคมค่ะ รวมทั้งนะคะเป็นต้นแบบของการใช้เครื่องเร่งอนุภาคโปรตอนขนาดเล็กในโรงพยาบาลเป็นศูนย์กลางการศึกษาการฝึกอบรมและผลิตบุคลากรทางการแพทย์ในการรักษาโรคมะเร็งรวมทั้งเป็นศูนย์กลางการวิจัยนะคะทางทางคลินิกฟิสิกส์รังสีเทคนิควิศวากรรมและชีววิทยาค่ะด้วยความร่วมมือกับภาควิชาต่างๆของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยตลอดจนหน่วยงานอื่นทั้งในประเทศและระหว่างประเทศค่ะ ศูนย์ประทอนสมเด็จพระเทพพรติราตสุดาดำเนินการภายใต้สาขารังสีรักษาและมะเร็งวิทยาฝ่ายรังสีวิทยาโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะพักเรื่องความก้าวหน้าของการรักษาโรคมะเร็งไว้เท่านี้ก่อนนะคะช่วงหน้าความรู้คู่สุขภาพยังมีข้อมูลดีๆรอคุณผู้ฟังอยู่สักครู่เดียวค่ะ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 ฉันมี ตรที่เธอ เลสคอตออนเ call radio ช่วงความรู้ผู้สุขภาพ ช่วงความรู้คุสุขภาพวันนี้นะคะมีเรื่องของยาเสพติดที่พบได้บ่อยค่ะถึงแม้จะมีการให้ความรู้คำแนะนำแล้วก็อันตรายของยาเสพติดอยู่เรื่อยๆนะคะมีการเพิ่มโทษสำหรับผู้ขายและผู้เสพแต่เรานะคะก็ยังคงเห็นข่าวจับกลุ่มยาเสพติดอยู่ บ, บ่อยๆค่ะ วันนี้มาทำความรู้จักยาเสพติดที่พบป่อยในปัจจุบันค่ะเริ่มที่ตัวแรกซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่คือ LSD เป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์หลอนประสาทอย่างแรงค่ะมักเสพโดยการสูดดมเคี้ยวหรืออม ม, มีหลากหลายรูปแบบส่วนใหญ่ที่พบนะคะจะนำเอาไปหยดลงบนกระดาษสี่เหลี่ยมที่มีคุณสมบัติดูดซับแล้วแบ่งเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมเล็กๆคล้ายสแตมม์นิยมเรียกกันในหมู่ผู้เสพว่าสแตมเมากระดาษเมาหรือเมจิก เปเปอร์ Paper, ซึ่งจะมีฤทธิ์อยู่ได้นาน8ปดถึงสิชั่วโมงค่ะทําให้รูม่านตาขยายอุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นเพิ่มความดันโลหิตและอัตราการเต้นของหัวใจทําให้เบื่ออาหารนอนไม่หลับปากแห้งมือสันผู้ที่เสพในระยะแรกจะมีความสุขอารมณ์ดีรู้สึกคึกคักค่ะแต่หลังจากนั้นจะเกิดอาการประสาทหลอนอย่างรุนแรงมีอาการหวาดกลัวจนกระทั่งทําลายตนเองหรือนําไปสู่การฆ่าตัวตายได้โดยไม่สามารถยับยั้งตนเองได้และหากเสพ ติดต่อกันเป็นเวลานานจะทำให้เป็นโรคจิตได้ค่ะ ชนิดต่อมานะคะหลายคนรู้จักคุ้นเคยกันดีจากยาม้าเป็นยาบ้าหรือเม็ดแอมเฟตามีนเคยถูกใช้เป็นยารักษาโลงีบหลับตลอดเวลาแบบไม่รู้ตัวนำมาใช้กับเด็กนะคะที่มีอาการไฮเปอร์อยู่ไม่นิ่งและไม่สามารถควบคุมสมาธิในการเรียนมีลักษณะเป็นเม็ดกลมสีส้มสีแดงสีน้ำตาลสีเขียวออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนกลางค่ะด้วยการกระตุ้นประสาททาให้เกิดการตื่นตัวไม่ง่วง ความดันโลหิตสูงมีอาการใจสัน่นเมื่อลิดยาหมดลงนะคะผู้เสพค่ะจะมีอาการอ่อนเพลียมากกว่าปกติระบบสั่งการทางสมองทำงานช้าลงและยานี้นะคะยังเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดอุบัติเหตุรายแหล่งขึ้นได้ด้วยค่ะ หลายท่านรู้จักเฮโรอีนพอๆกับรู้จักยาบ้านะคะเป็นยาเสพติดที่มีฤทธิ์รุนแรงสังเคราะห์ได้จากเมล็ดฟินมีลักษณะเป็นผงละเอียดสีขาวจนถึงสีน้ำตาลค่ะหรือว่าเป็นก้อนเหนียวสีน้ำตาลที่มีสารประกอบของทาเรียกว่าแบคท่าเฮโรอีนซึ่งจะมีอันตรายมากกว่าสีขาวนะคะเสพโดยการสูดเข้าทางจมูกสูบหรือฉีดเข้าทางเส้นเลือดออกฤทธิ์ต่อสมองทาให้เกิดอาการอิ่มเอมใจปากแห้ง ออกฤทธ 3-5 ชั่วโมงค่ะเมื่อยาหมดฤทธิ์ลงผู้เสพจะมีอาการกึ่งง่วงกึ่ ง, ง, งตื่นทําให้เกิดอาการมึนเมาสมองตื้อพูดไม่ชัดมองไม่ชัดในตอนกลางคืนปวดตามส่วนต่างๆปวดศีรษะอย่างรุนแรงมีอาการจุกภายในอกอ่อนเพลียมากหนาวหนาวร้อนๆนอนไม่หลับกระสับกระส่ายบางรายอาจมีอาการชักน้ำลายฟุม้มปากหายใจไม่ออกความจําเสื่อมและหากเสพเกินขนาดก็อาจเสียชีวิตได้ค่ะ มากันที่ยาอีหรือว่ายาเลิฟนะคะซึ่งออกฤทธิ์ต่อสารเคมีในสมองค่ะทำให้รู้สึกมีความสุขสนุกสนานและส่งผลต่ออารมณ์ทางเพศหรือที่รู้จักกับข่าวคำว่าปติยาอีนะคะหลังจากนั้นค่ะจะเกิดภาพหลอนวิตกกังวลไปจนถึงเป็นอาการซึมเศร้านะคะที่เป็นสาเหตุของการฆ่าตัวตายค่ะ ยาอีนะคะเป็นเม็ดกลมแบนมีขีดแบ่งครึ่งอีกด้านหนึ่งนะคะพิมพ์รูปภาพหรือว่าอักษรต่างๆค่ะออกฤิ์นะคะทั้งกระตุ้นประสาทและก็หลอนประสาทค่ะมีสุดโครงสร้างคล้ายกับยาบ้าค่ะแต่มีฤิ์นะคะแรงกว่า10เท่าค่ะ ทำลายเซลล์สมองที่เกี่ยวข้องกับความคิดและก็ความจำค่ะยานะคะมีฤทธิ์อยู่ในร่างกาย 6-8 ชั่วโมงแล้วถูกขับออกนะคะทางเหงือแล้วก็ปัสสวาวะภายใน72ชั่วโมงยาอีค่ะจะทำให้ผู้เสพนะคะรู้สึกติดยาอยากหามาเสพอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็ต้องเพิ่มขนาดของยาไปเรื่อยๆหากเสพยาเกินขนาดส่งผลต่อการทำงานของหัวใจแล้วก็เสียชีวิตได้ค่ะ กัญชาเป็นพืชล้มลุกออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาทและได้มีการศึกษาค้นคว้านําไปสู่การผลิตยาสําหรับใช้ในผู้ป่วยมะเร็งที่รักษาด้วยวิธีเคมีบําบัดเพื่อป้องกันอาการคลื่นไส้อาเจียนและเพิ่มความอยากอาหารในผู้ป่วยเอสค่ะการสูบกัญชาจะสูบจากใบแห้งเมื่อเข้าสู่ร่างกายจะแทรกซึมเข้าสู่กระแสะเลือดอย่างรวดเร็วภายใน2อถึงสนาทีและออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทสูงสุด1ชั่วโมงอาการทั่วไปจะซึ้งซึม ลงนะคะมีอาการเคลิ้มโดยในขั้นต้นๆจะเป็นอาการกระตุ้นประสาทมักมีปฏิกิริยาที่เปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันเดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวสงบตาแดงในขณะที่เสพยาหากเสพเป็นประจำก็จะทำให้สุขภาพเสื่อมลงและหากเสพเกินขนาดอาจมีอาการช็อกและเสียชีวิตได้ค่ะ กฎหมายไทยนะคะแบ่งโทษของการเสพครอบครองและขายในแต่ละชนิดต่างกันค่ะสามารถนะคะเข้าไปดูโทษทางกฎหมายค่ะได้ที่เว็บไซต์ไทยร้องคอมค่ะวันนี้นะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่พิ่ตะพ์บัวมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวเชิองอนุรักษ์ที่ได้รวบรวมสายพันธุ์บัวมากกว่า100สายพันธุ์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 www.lotus.rmutt.ac.th สถานสุขภาพความงามบัวสปาภายใต้การดูแลโดยวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยราชมงคลทัญบรุรีให้บริการทรงเสริมดูแลสุขภาพความงามด้วยผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทรีตเมนต์ทุกส่วนของร่างกายตั้งแต่เส้นผมผิวหน้าผิวกายมือและเท้าด้วยอุปรกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัยครบครันที่นี่